ในวันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระใหญ่วันพระใหญ่คือวันพระสิบผ้าค่ำวันพระเล็กคือวันพระแปดค่ามีอยู่สองวันพระเรียกว่าวันพระใหญ่แปลว่าเดือนเพนคือกลางเดือนและกับปลายเดือนเรียกว่าวันพระใหญ่วันพระเล็กก็คือวันพระแปดค่าขึ้นแปดค่าแรมแปดค่ำหรือว่าวันพระวันพระเล็ก วันนี้เป็นวันพระใหญ่ของพวกเราเป็นวันเดือนสิบดับนี่ก็เป็นวันจวนจะออกพรรษาและขอให้พวกเราญาติโยมทุกท่านนะรักษาศีลให้สม่ําเสมออย่าให้ขาดตกบกพ่องอย่า่ายตกหล่นที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาว่าจะรักษาอุโบสถศีลหรือรักษาศีลห้าไม่ให้ขาด ทุกวันพระในไตรามาสอย่างนี้ก็จะให้คดตกบกพร่องหรือหรือพวกเรามากกว่านั้นพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานอันไหนเอาไว้ก็ให้รักษ า, าไว้ให้ให้ตลอดรอดฟังอย่าให้ลุ่ ม, มๆุมรอนๆอย่าให้โกหกตัวเองถ้าหากว่าตัวเองทําไม่ได้อย่างที่ตั้งใจอันนั้นในหลักธรรมท่านบอกโกหกตัวเองการโกหก คขากโกหกมันไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาโกหกเราเราก็โมโหโทโสไม่พอใจแต่ว่าพอตัวเองโกหกตัวเองเท่านั้นแหะหัวเราะอยู่ทั้งวันชอบใจแ้แ้แอย่างนั้นไม่สะทกไม่สะทานแสดงว่ากิเลสของเราในใจของเราเนี่กิเลสภายในใจของเรานี่ยได้เปรียบตรงนั้นเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งใจนะ จะให้ขาดถุกปกครองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่นนะวันนี้เป็นวันอุโบสถนะตอนเย็นพวกเราก็จะได้ทําพิธีไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอีกรอบหนึ่งตอนเช้านี่ยถวายพระทหารพระสงฆ์พร้อมกันก็สมาทานศีลทุกครั้งทุกคราวที่ผ่านมาก็ปฏิบัติกันมาโดยสม่ําเสมออย่างนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรา พวกเราได้มารักษาศีลมาประกอบคุณงามความดีในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าทำมีหลายขั้นตอนทำมีหลายขั้นตอนเราจะเอาระดับไหนที่มาระดับปัติปัญญาของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านว่าทำอันทําให้งามทำที่มีอุปการะมากอย่างเนี้ยทำที่มีอุปการะมาก อุปการะก็คือท่านมีประคุณอย่างมากสําหรับพวกเราคืออะไรคือข้อปฏิบัติที่มีอุปการะมากที่พวกเราจะต้องใส่ใจมีอะไรบ้างเรียกว่าท่านท่านบอกว่าทำที่มีอุปการะมากเพราะพุทธเจ้ายกขึ้นมาสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่ถ้าเราได้ยินแล้วก็ผ่านไปเฉย ไม่ได้เอามาวิเคราะห์เอามาคิดก็ผ่านไปแต่ตามไม่จริงสติคือความระลึกได้เนี่ยถ้าคนขาดสติเป็นยังไงถ้าคนขาดสติก็เป็นบ้าเท่นี่ถ้าคนเป็นบ้าคนขาดสติมากๆคนเป็นบ้าแล้วจะคิดอะไรได้จะทำการทำงานจะพูดจาพาทีจะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะคนขาดสติเพราะั้นพระพุทธเจ้าเถอสติคือความระลึกได้สตินี่คนสติสมบูรณ จะไปนสถานที่ใดถินด่นใดก็รู้จักการอันควรหรือไม่ควรอย่างไรเพราะคนมีสติเหมือนกับคนเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาหมูหมากาไก่ลมกระโชกแดดพัดลมแดดสองเข้ามาหรือลมพัดฝนตกอะไรก็ตามเขาก็ต้องรักษารักษาบ้านของเขาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติอยู่กับตัวของเราเราจะพูดเรื่องอะไรเราจะคิด เราจะทําเรื่องอะไรมันก็นดูแล้วก็ น, น่าน่าดูสวยงามเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยว่าธรำที่มีอุปการะมากข้อที่หนึ่งข้อที่สองสัมปัญญะสัมปัญญะจติีแ้ยังไม่แล้วนะยังสัมปัญญะคือความรู้ตัวอยู่อีกนะนี่แหละคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้กัเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย อันนี้แหละการศึกษาธรรมะเราได้ยินได้ฟังจากนั้นก็นำมาไขาควนไตรตรตองด้วยเหตุผลที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านบอกไว้ถูกต้องไหมนี่แหละจากนั้นก็พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนะของพวกเราที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจคืออะไรท่านว่าพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้านั้นคืออะไร พระพุทธเจ้าคือท่านได้ตัดสู้ธรรมประกาศธรรมคำสั่งสอนออกมาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อเราจะได้ศึกษาอย่างพวกเราเรื่องศีลเมื่อกี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติให้พวกเรารักษาศีลก็คือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยถ้าคนไม่มีศีลเป็นยังไงคนไม่มีศีลก็คนไม่มีวิ น, นัย คนไม่มีวินัยคือคนไม่มีกฎระเบียบคนไม่มีกฎระเบียบคือคนไม่มีกฎหมายอันเดียวกันศีลก็คือกฎหมายศีลก็คือกฎระเบียบศีลก็คือวินยัยเราจะไปแยกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีไม่มีกฎหมายปกครองไปยังไงมันก็เหมือนกับศัตริย์ราสิงห์ที่ตัวไหนมีกําลังตัวนั้นก็ต้องบังคับหมู่พวกเพื่อนเพราะมันมีกําลังมากกว่ามีพรรคพวกมากกว่า อันนี้ก็เหมือนกันถ้าคนไม่มีกฎหมายกว่าอย่างนั้นะ่ะเหมือนกับสัตว์ป่าที่อยู่ด้วยกันผู้ที่ด้อยกว่ามีผู้มีกำลังน้อยกว่าก็ต้องยอมแพ้ผู้มีกำลังมากกว่าเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ก็คืออย่าไปรังแกเขานะอย่าไปเบียดเบียนเขานะถ้าเขามาเบียดเบียนเราเรามีความทุกข์ใจเราไม่มีความมีความไม่สบายใจเพราะนั้นสิ่งใดก็ตาม ถ้าเราถ้าเขาทําให้แก่เราเราไม่สบายใจเราทุกข์ใจเราก็ไม่ควรจะทําให้ใครอื่นเขาเราก็ควรจะเคารพสิทธิ์เขานีา่นี่แหละสินของพระพุทธเจ้าศินคือวินยัยวินัยคือกฎหมายอันเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติขึ้นมาก็คือศิทิวินยัยอันนี้คือพระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นมาอันนี้ก็คือพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือเป็นศาสนาพุทธ พระพุทธองค์วางไว้อย่างนั้นพระธรรมคําสั่งสอนพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านผู้ใดก็ตามปฏิบัติพระธรรมตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความสงบร่อนเย็นเป็นสุขทางจิตใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนโดยมากเป็นธรรมเป็นหลักเหตุผลที่ให้พุทธบริษัทสีของพระองค์ปฏิบัติตามนะอย่างพวกเราศึกษาดูให้ดีก็แล้วกันนะศีลเป็นยังไงสมาธิ ศีล ค, คือการเป็นอยู่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าคือศีลคือวินยัยศีลคือกฎหมายศีลคือกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันสมาธิคืออะไรแนวความคิดคิดคิดเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนกระทั่งแนวความคิดเดีว่าควรจะคิดเรื่องอะไรมันจึงจะถูกต้องไม่ไข่ใช่ว่าคิดเออละเหยลอยลมเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยผลที่สุดหาจุดจบหาจุดยืนไม่ได้ โพี่สูตก็น่ะมันจะเกี่ยวเข้าไปถึงข้อต้นอีกว่าสติสัมปชัญญนะนั่นคือสติคือคนขาดสติคนขาดสมาธิคนไม่มีสมาธิคือคนขาดสติโพี่สุดคนขาดสติเป็นยังไงพวกเราเห็นตามข้างถนนนะเป็นยังไงไม่ไม่น่าดูคนขาดสติมากๆอันนี้ก็เหมือนกันนะสมาธิก็คือทำจิตให้สงบเป็นแนวความคิดถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกหัดเรื่องสติจะฝึกยังไงเรื่องสติเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุรรมกำหนดลมหายใจเข้าออกวัราะนั้นพวกเราทุกท่านนะต้องฝึกไปทนะสถานที่ใดถินด่นใดอยู่ณที่ใดให้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกถ้ามีโอกาสอย่างที่พวกเราก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยอย่างนั้นะเฮาลองกาหนดลม แต่ถ้าเราไปตามถนนหนทางแล้วไปในนั่งที่อื่นเนี่ยถ้ามันมีเสียงวุ่นวายพุกพ่านอยู่แล้วก็คงจะกําหนดลมไม่ได้แต่หาโอกาสเมื่อมีโอกาสว่างๆก่อนนอนอย่างนี้พอเรานอนลงไปแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกนะต่อไปแล้วก็ฝึกเรื่อยๆ อ, อ, อันนี้ก็คือเรื่องฝึกฝึกทางด้านจิตใจนะอันนี้ก็คือสมาธิปัญญา ในหลักของพุทธศาสนาปัญญาทางโลกปัญญากับทางพุทธศาสนานี่มากกว้างขวางมากๆากที่เรื่องปัญญาแล้ววิชาทางโลกของเขาเขาเรียนวิชาทางโลกหลายแข น, แนงไม่มีที่สิ้นสุดว่า ง, งั้นแต่อันนี้ก็คือปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาของพุทธศาสนานี่ยปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงอริยสัจเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนะคือสรุปแล้วก็คือเห็นกายวาจาใจของเรานะ่ย เห็นกายเห็นวาจาเห็นใจของเราเนี่เห <ppe related S 2> ็นร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยอีกไม่นานนะจะต้องถึงจุดจบยั่งยืนขนาดไหนก็จะมีจุดจบไหมอย่างที่พวกเราได้ยินข่าวคนนั้นคนนี้อย่างที่ได้ยินหลวงปู่ปัญญาอนันทะของเราอย่างวันนี้นี่แหละทุกคนถึงจะมีซื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนถึงจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์สาวกล้วนแล้วจะเป็นผ่านไปโดยการทั้งนั้นพวกเราทั้งหลายจะเป็นผู้วิเศษมาจากไหนเนี่ยพวกเราก็จะต้องผ่านอย่างพวกท่านทั้งหลายที่ผ่านไปอย่างนั้นล้มหายตายจากไปจากโลกเพราะนั้นพวกเราควรจะฝากอันไหนไว้ในแผ่นดินนะควรจะฝากสิ่งไหนไว้ในแผ่นดินนี้นะไม่ใช่จะฝากแต่ความช่วช้าลามกความไม่ดีไว้ในแผ่นดินใครๆก็ไม่ต้องการหรอกอ่า ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงไงถ้าวักขี้บัวขี้ควายเขาใส่ปุ๋ยต้นไม้มันก็ยังเกิดประโยชน์นะแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงหนึ่งใครใคก็จะแย้งไปหมดไปใกล้ใครใก็กลัวหมดมั้งไงขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเนีเพราะนั้นพวกเราควรเดี๋ยวเอาศีลเอาธรรมเอาคุณงามความดีฝากฝังไปในประเทศชาติบ้านเมืองฝากไว้ในโลกลูกหลานเกิดมาทีหลังเขาจะได้ถือเป็นตัวอย่างจากนั้นเขาเขาจะได้ รู้เอาไว้ว่าเออนี่หลวงปู่หลวงตาปู่ญาติตายายชื่อนนชื่อนีอ้ได้ทําคุณประโยชน์ไว้ให้พวกเราได้ศึกษาให้พวกเราได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมของพวกเราเขาจะได้ลําลึกถึงนะแต่เว้นทางว่าพวกเราฝากสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้เห็นไหมนะ่ะ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นลมหายตายจากไปแล้วก็ยังเป็นประวัติศาสตร์ด่าโคมโคมมาอย่างพระเทวทัตยอย่างนี้ ในศาสนาพุทธศาสนาต้อรู้พระพุทธเจ้าก็ต้องรู้เทวทัตด้วยเพราะเหตุใดเพราะเทวทัตเนี่ยเป็นผู้เนรคุณต่อพระพุทธเจ้าอย่างสุดๆเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นศาสนาเป็นการประกาศเผยแผ่ขึ้นมาให้พวกเราเร่รับรู้รับทราบเทวทัตก็มาบวชกับพระพุทธศาสนาเพอเพอได้จะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแทนอีกไงเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาใน พุทธศาสนาแล้วะพวกเราก็เห็นมานี่ดีกับชั่วมันมาคู่กันตั้งแต่สร้างโลกว่า ง, งั้นแหละความดีกว่าความชั่วในจิตในใจของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะใจของเราไปในทางดีได้อย่างไงเอาชนะความชั่วนั้ น, นะเบําเพ็ญทางกุศลอแล้วก็เอาชนะใจของเราไปในอทางที่ถูกต้องแต่มันก็ยากเหมือนกันนะอโดยมากมัน ความชั่วมันโดยมากมันจะขึ้นมานั่งเก้าอี้บัญชามากกว่าความดีแล้วกกเรื่องนั้นเรียกก็เรื่องนี้เรียกกับกินเรียกกับนอนเรียวก็กเรื่นองรับเรื่องตื่นเรื่อ ง, องสิ่งนี้แทบทีมันไม่ดีมันจะมากกว่าให้พวกเราสังเกตดูก็แล้วกันนะอืที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นมันอาจจะเป็นบางคนก็ได้นะแต่ในใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อว่าแต่ละวันเนี่ยขนาดหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะหลวงพ่อก็สังเกตสังเกตว่า แเรื่องที่มันไม่ดีมันจะเข้ามามากกว่าสิ่งที่มันดีนะสําหรับพระวัดญาจงก็พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตดูเหมือนกันนะนะเพราะฉนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่เกิดสาระไม่เกิดประโยชน์เราก็ควรจะเขี่ยออกกําจัดออกไปจากจิตใจของพวกเราเอาแต่คุณงามความดีเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรด้วยเหตุด้วยผลสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็เอากําจัดออกไปเพราะถึงยังไงยังไงพวกเราคนนั้นอนะ อายุของเราเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยปีอย่างที่หลวงพ่อพูดเป็นไหมท่านหลวงพ่อปัญญาอนันทะท่านก็ไม่ถึงร้อปีเนี่ยไปแล้วครูบาอาจารย์รุ่นเดี๋ยวนี้ก็ยังอย่างหลวงปู่จามก็เก้าสิก้บแปดปีเรื่องที่เป็นหลวงอาหลวงพอ่อท่านก็ยังอยู่นะกระุ่นเดียวหลวงปู่วัดโพกัเมื่อวันวันที่สิบตุลาเนะี่ยเก้าหปีเต็มบริบูรณ์องค์หลวงตาของเราก็94ปี กว่าแล้วเจ้าพระคุณสมเร็จเกือบเกสิกว่าปีนั่นแหละแต่ถึงยังไงยังไงท่านก็ยังมีบุญนะครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดท่านเป็นผู้มีบุญท่านยังแข็งแรงยังช่วยตนเองได้แต่หลวงพ่อนี่พวกเราท่านทั้งหลายนี่จะเป็นยังไงเพราะนั้นพวกเราจึงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทก็แล้วกันทุกท่านทุกองค์ ตั้งแต่พระพุทธเจา้าพระหรันสาวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็ผ่านมาผ่านไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นพวกเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก่อนที่จะจากไปกับพวกเราก็ควรจะฝากคุณงามความดีอย่างน้อยก็ใจของตัวเองนั่นแนหะเป็นพระที่ดีเป็นญาติโยมที่ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนะสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจสิ่งไหนที่มันชั่วช้าเสียหายอย่าทำอย่าริธรรมถ้าทำไปแล้วก็เดือดร้อน ใจของเรานะี่นั่นหละเป็นอันดับแรกนะจากนั้นก็เดือดร้อนผู้อยู่ใกล้ชิดของพวกเราเพราะนั้นพวกเราเกิดมาอยู่ น, นสถฐานที่ใดจะให้ผู้อื่นหนักใจกับเรานะอย่าให้ขาดตกบกพร่องให้สังสมคูนงามความดีไว้อยู่เสมอนะในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าถึงจะขาดอะไรก็ตามขาดเงินขาดทองขาดสิ่งขาดของอะไรก็ตาม ขอข้อสําคัญจะให้ขาดสตินะถ้าขาดสติและขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนกับคนเป็นบ้าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นน่ะอทําที่มีอุปการะมากนะถ้าคนขาดสติขาดหมดทุกอย่างถ้าคนมีสติอยู่กับตัวเองแล้วนั่นละ่ะอสิ่งไหนก็จะหลั่งไหลเข้าม า, อาพอคนมีสติสติกับสะตังมันมาพร้อมกันนะสติสตังเหมือนกันแอ่ แต่คนขาดสติก็มันขาดจะตังไปด้วยเพราะมันขาดหมดทุกอย่างเนละเหมือนกับคนพวกเราเห็นนะั่นนะใส่เสื้อผ้าขาดขาดผมยาวยาวหาบของพลุนพลังแถวข้างถนนเป็นยังไงนั่นแหละอันนั้นขาดสติอย่างมากๆเราก็ไม่ได้ดูถูกเย้ยหยันของเขารกล้ำของสัปรปสัตว์ทั้งหลายเถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าขาดสติอาขาดสติอย่างมากๆานะกเพราะฉะนั้นพวกเราให้ฝึกสติเอาไว้นะ ตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเราพวกเราเป็นพุทธบริษัทสี่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าควรจะปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอถ้าเป็นไปได้ให้อย่างว่าเคร่งคัดว่างั้นลักษณะอย่างนั้น่ะแต่จะปล่อยปลาละเลยจนมากเกินไปนะอารับพรเสียอนุโมทนาให้พร